ในความรู้สึกของพระบัวเหียวเวลาส0สนาทีชัางดูยาวนานเสียนักหนาท่านจับพองยุบได้ในช่วงแรกๆกระนั้นก็ยังลงหนอไม่ค่อยจะทันเพราะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนั่งไปสักครู่ให้รู้สึกอึดอัดขัดข้องลมในท้องเริ่มปั่นป่วนอีกครั้งท่านพยายามกลั้นเอาไว้หากปล่อยปูดปัาดออกมากเกรงจะต้องอับอายขายหน้า เมื่ออันไว้หนะักเข้าก็กลายเป็นความกังวลจนจับ้องยุบไม่ได้อย่าไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลั้นเขาอยากออกมาก็ให้เขาออกมาอย่าไปฝืนเขามันเป็นการปรากฏของสภาวะธรรมให้กำหนดได้ยินหนาหรือได้กลิ่นหนอไปตามความเป็นจริง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 อย่าเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานต้องให้เห็นของจริงถึงจะเข้าใจเอาสติไปเพ่งตรงที่ปวดแล้วกำหนดว่าปวดเนาะปวดเนาะจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้กลับมากำหนดพองยุบอีก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 อาหางการก็เกิดขึ้นท่านเริ่มคิดฟุง้งซ่านจิตซึ่งโดยธรรมชาติไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วก็ซัดสายหนักขึ้นคิดเรื่องโน้นไปเรื่องนี้เตลิดเปิดเปิงไปยกใหญ่ช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ท่านพระครูลุกออกไปพระบัวเหียวก็คิดอะไรต่อมีอะไรไปร้อยแปดเมื่อจิตฟุง้งซ่านสติก็จับพองยุบไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิด อีกสิบนาทีจะครบกาหนดเวลาท่านพระครูก็กลับเข้ามาท่านตรวจสอบคนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าระจิตของเขาจึงพูดขึ้นว่าสนุกใหญ่เลยนะบัวเหี่ยวนะทำไมถึงไม่กาหนดฟุ้งซ่านหนอละ่ะพระใหม่จึงตั้งสติกาหนดฟุงซ่านหนอฟุงซ่านหนอแล้วกลับมากาหนดพองยุบ ประเดี๋ยวหนึ่งอาการปวดขาก็ประดังขึ้นมาอีกปวดราวกับว่ามันจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงคิดที่จะเปลี่ยนท่านั่งท่านพระครูก็กำชับขึ้นว่ายาเปลี่ยนให้กำหนดอดทนหนอภากเพียนหนอแล้วกลับไปที่พองยุบอีกมันไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อ พระบุเหวี่ยคร่ำครวญอยู่ในใจคราวนี้รู้แล้วว่าพระอุปชาต้องรู้อะไรๆในใจของท่านพระอุปชารู้หมดต้องไวส้สิตั้งใจไวเลยว่าตายเป็นตายผมยังไม่อยากตายนียครับพระใหม่แอบเถียงในใจยังไม่อยากตายถ้าถึงที่มันก็ต้องตาย แต่ถ้าตายในขณะปฏิบัติก็จะไปเกิดในสุขติภูมิไม่ต้องไปอบายภูมิเลือกเอาเองว่าจะเอาอย่างไหนงั้นก็เอาอย่างหลังครับตอบในใจเช่นเคยดีแล้วต้องกล้าหารอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสากยบุตรพุทธโอรสนี่แหละ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 ไม่สามารถอ่านใจของคนตอบได้ไม่ใช่เวทนาแปลว่าความรู้สึกมีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกเวทนาและอทุก ข, ขมะสุขเวทนาหมายถึงความรู้สึกทุกทุกและไม่สุขไม่ทุก หรือที่เรียกว่าเฉยเฉยรู้สึกอย่างไรก็กําหนดไปอย่างนั้นเช่นขณะที่เธอปวดเธอเป็นทุกข์ก็กาหนดทุกขนะ์เนาะแต่ถ้าปวดไม่มากไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ก็กาหนดปวดเนาะถ้าสุขก็ ก, กาหนดสุขเนาะถ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็กาหนดเฉยเนาะ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 ท่านจึงฮึดสู้ด้วยการกำหนดว่าตายเป็นตายแล้วก็นั่งต่อไปอย่างไม่สะทกสะานพยายามให้สติจับอยู่ที่อาการพองยุบของท้องเอาละได้เวลาแล้วกำหนดอยากพักหนอสามครั้งแล้วค่อยๆลืมตาเห็นอะไรก็กำหนดเห็นหนอ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 ไปทั่วทุกขุมขนน้ําตาไหลพรากพรากด้วยความปิติท่านก้มลงกราบพระอุป a า h a ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณยังหาที่สุดไม่ได้สีลสมาธิปัญญาได้ซักฟอกและขัดเกลวจิตใจที่เคยหยาบกระด้างของท่านให้ละเอียดประณีตขึ้นกระตัญยูกะตะเวทิตาธรรม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 โน่นทำท่านั้นท่านี้อยู่ตลอดเวลานอกจากจะหลับเสียเท่านั้นแม้แต่หลับก็ยังหาหลับนานไม่เพราะฉะนั้นถึงต้องมาฝึกจิตกันยังไงล่ะทำไมจิตมันถึงฟุ้งซ่านเฉพาะเวลานั่งสมาธิแล้วครับในเวลาปกติทําไมมันจึงไม่ฟุ้งซ่านภิกษุหนุ่มถามอีก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 ที่ได้กรุณาอธิบายอย่างจาแจ้งชัดเจนท่านพระครูนึกชมพระมหาบุญที่สามารถอบรมบ่มนิสัยจนกระทั่งพระโบเฮียวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทั้งกริยามารยาท ต, ตลอดจนการพูดการจาดูดีขึ้นผิดกับเมื่อตอนมาใหม่ๆราวกับเป็นคนละคนหลวงพ่อครับ แล้วเรื่องเวทนานุปัสนาสติปฐานที่หลวงพ่อสอนผมตอนผมนั่งสมาธิมีบางตอนที่ผมยังไม่เข้าใจครับเช่นที่หลวงพ่อบอกไม่ให้ยึดสุขก็ไม่ให้ยึดทุ ก, ก็ไม่ให้ยึดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นคือ มันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้พูดให้เข้าใจง่ายเข้าก็คือมันมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่มีอะไรให้ยึดฉะนั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการใช้สติ ตามดูเวทนาและกำหนดรู้เวทนาในขณะนั้นว่ามันสุขทุกข์หรือเฉยๆแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกับเวลาเธอนั่งเมื่อปวดก็เป็นทุกขเวทนาให้กำหนดปวดเนาะแล้ววางมันเสียไม่ไปจับไปยึดประเดี๋ยวมันก็หายไปเอง การกำหนดว่าปวดเนาะก็เพื่อให้หายปวดใช่ไหมครับไม่ใช่บางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าการกาหนดเช่นนั้นจะทำให้หายปวดซึ่งความจริงแล้วจะกาหนดหรือไม่กาหนดมันก็ต้องหายปวดตามสภาพของมันอยู่แล้วเพราะเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัย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 นคนทั้งสามกล่าวคำขอสมท า, านกรรมฐานแล้วให้สอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิด้วยพระใหม่รู้สึกขัดเขินเพราะตัวท่านเองก็เพิ่งจะหัดมาได้สองวันข้าวันนี้หากท่านก็สอนอย่างตั้งอกตั้งใจที่สุดจนบุรุษทั้งสามสามารถเดินจงกรมระยะที่หนึ่งได้และรู้วิธีนั่งสมาธิเอาล่ะ เดี๋ยวไปทานข้าวทานปลาแล้วกลับไปปฏิบัติอย่างกุติของตนสองทุ่มค่อยมาสอบอารมณ์ได้ที่พักหรื อ, อยังท่านถามคนที่ถือพานเมื่อตอนเข้ามาเพราะเขามีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าอีกสองคนยังครับพวกผมเพิ่งมาถึงครับตอบอย่างนอบน้อมสมชายไปดูสิว่า มีกุฏิกรรมฐานหลังไหนว่างอยู่บ้างไม่มีเลยครับหลวงพ่อผมไปสำรวจมาแล้วเด็กหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นไปพักบนศาลาก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้เขาจัดมุง้งจัดหมอนไปให้บนศาลาไม่มีมุ้งลวดแล้วจึงถามอีกว่าจะอยู่ปฏิบัติกันกี่วันละ่ะ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 เมื่อตอนใกล้จะเปิดอ๋อเอาละถึงจะอยู่แค่สามวันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงก็จะได้ผลพอสมควรไหนชื่ออะไรกันบ้างเผื่อวันหลังเจอกันจะได้ทักทายได้ถูกต้องผมชื่อสริศครับเป็นครูใหญ่ผมชื่อบุญมีอีกคนชื่ออรุณเป็นครูน้อย มาเป็นเพื่อนครูใหญ่ครับครูบุญมีพูดเป็นครั้งแรกส่วนครูอรุณยังไม่ยอมพูดอ๋อมาเป็นเพื่อนเท่านั้นหรอกหรืออาตมานึกว่าตั้งใจมาปฏิบัติที่แท้ก็มาเป็นเพื่อนแต่เอาเถอไหนไหนก็ชื่อว่าได้มาแล้วตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ก็แล้วกัน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 คนเป็นครูใหญ่เดินนำหน้านี่บัวเหี่ยวเธอจำไว้นะคนที่เดินนำหน้าจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเชื่อฉันไหมละ่ะหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับก็เห็นหนอบอกคอยดูก็แล้วกันเขาจะต้องกลับมาที่วัดนี้อีก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันกลับไปแล้วหลวงพ่อจะบอกเขาก่อนไหมครับว่าเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งบอกไม่ได้สิเดี๋ยวเขาก็ไม่เป็นอันปฏิบัติหลวงพ่อครับแล้วผมจะได้เห็นหนาอย่างหลวงพ่อไหมครับถามอย่างสนใจก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเธอมั่นประกอบความเพียร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 เรื่องมันยาวถ้าอยากรู้วันหลังจะเล่าให้ฟังอย่าลืมว่าจุดประสงค์สำคัญที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแก้กรรมฐานส่วนอย่างอื่นถือว่าเป็นผลพลอยได้เอาละไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอ11โมงกว่าแล้วรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 ครูใหญ่ปฏิบัติไปคนเดียวก่อนนะครับคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่าคุณจะนอนกันผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเท่าที่อุตส่าห์มาเป็นเพื่อนผมก็ดีถงไปแล้วแต่คุณจะไม่ลองดูสักหน่อยหรือว่าที่นี่มีดีอะไรคนถึงพากลังไหลามาจนกุติไม่พอให้พักเวลานอนเรายังมีอีกมากน่าจะตักตวงวิชาความรู้เอาไว้ ไหนก็เสียเวลามาแล้วพูดจบก็เริ่มเดินจงกรมอย่างขมักขม่นครูน้อยสองคนมองตากันแล้วต่างก็ได้คิดจึงพาันลุกขึ้นเดินจงกรมบ้างช่วงเวลานั้นหากใครมองขึ้นไปบนศาลาก็จะเห็นคนสามคนกําลังเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่อย่างเพลิดเพลินตั้งแต่เที่ยง ไปจนถึงหกโมงเย็นโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบดูก็รู้ว่าพวกเขารื่นเริงในธรรมซสจนไม่สามารถกำหนดนั่งได้จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห์คนทั้งสามเห็นเจ้าอาวาสเดินขึ้นมาก็รู้สึกตัวรีบนั่งลงกราบท่านพร้อมกันราวกับนัดไงยโยมเดินกันตั้งหกชั่วโมง ไม่รู้สึกเมื่อยกันบ้างหรือหกชั่วโมงเชียวหรือครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่ามันเพลินจนลืมกำหนดนั่งนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาสงสัยพวกผมคงเดินกันจนถึงเช้าคนเป็นครูใหญ่พูดแน่นอนแบบนี้เขาเรียกว่ารื่นเริงในธรรมแล้วดีไหมครับ ครูอรุณเพิ่งจะพูดเป็นครั้งแรกไม่ดีแน่เพราะสมาธิกับวิวริยะมีมากจนสติตามไม่ทันเกินปฏิบัติธรรมที่จะได้ผลดีจะต้องให้ศรัทธาวิวริยะสมาธิและปัญญาสมดุลกันไม่ให้อั น, นึงอันใดล้ำหน้าอันอื่นโดยมีสติเป็นตัวควบคุม เอาละทีนี้ก็กำหนดนั่งให้นั่งคนละหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าให้เรียบสองทุ่มไปหาอาตมาที่กุฏิคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วจึงกำหนดนั่งสมาธิท่านพระครูนั่งอยู่อีกครู่หนึ่งเห็นเขาปฏิบัติกันถูกต้องดีแล้วจึงเดินกลับกุฏิของท่าน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 เหมือนยยครูใหญ่ครับครูบุญมีตอบท่านจึงหันไปทางครูอรุณผมนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืดเลยครับครูอรุณตอบคนอื่นๆพากันโหเราะงรวมทั้งท่านพระครูและพระบูเหียวที่เจ้าอาวาสสอบอารมณ์คนทั้งสามต่อหน้าพระบูเหียวก็เพื่อต้องการสอนพระบวทใหม่ทางอ้อมท่านมองหน้าผู้เป็นสิทธิ์เหมือนจะพูดว่า เห็นไหมบัวเหีียวคนอื่นๆเขาไม่เห็นเรื่องมากอย่างเธอเลยชรอยพระใหม่จะเดาความคิดของท่านออกจึงแอบเถียงในใจว่าโถหลวงพ่อครับกูพกเขาเป็นครูเพราะมันจบแค่ป .4 จะให้เก่งกาเท่าเขาได้ยังไงพระอุปชาญนึกขำที่คนเป็นลูกศิษย์ชักจะอ่านความคิดของท่านออกจึงสับพยอยกขึ้นว่า รู้สึกว่าเธอจะได้เห็นหนอแล้วนะบัวเยี้ยว